บุกทูห้าสิบหกความรู้สึกสมีความรู้สึกต้องการอยากฮอลิสต <ar> เรามีความรู้สึกเราต้องการ เราอยาก har เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยาก vi har i ่ช e l เ s t กลัว v a r ก r ร d d ดิฉันกลัว j ไม่ r r อ d การฉันไม่ลัว มีเวลาหาเวลาเขามีเวลาฮันหาทีดเขาไม่มีเวลาฮ har i ไม e ท i ดเบื่อเหตุใดเธอเบื่อ เธอไม่เบื่อเธอไม่เบืหิวว่าเรืุลต์นคุณหิวไหมอะไรเรื่สุลนคุณไม่หิวหรืออะไรเุลกระหายน้ำ พวกเข่ากระหายน้ำดี i อ a m DE ช r t ้พวกเข å าไม่กระหายน้ำด d แอร e อิคเกทรชเ